สายใยระหว่างกายเนื้อกับกายทิพย์คืออะไรในหนังสือโลกทิพย์ก็ดีในหนังสือปรัชญายโยคะของท่านรามจักก็ดีและในหนังสืออื่นๆอีกหลายเรื่องในกรณีที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างกายเนื้อกับกายทิพย์ ทุกเรื่องจะมีการกล่าวถึงสายใยแห่งชีวิตซึ่งเรียกชื่อในภาษาอังกฤษว่า magnetic cord หรือ life line เป็นการน่าประหลาดอยู่อย่างหนึ่งกล่าวคือตามเนื้อเรื่องในหนังสือเรื่องโลกทิพนั้นทั้งอปปาติกะที่มาบอกและผู้ที่ทำการบันทึกต่างก็เป็นคนนับถือคริสตศาสนาส่วนท่านรามจากผู้เขียนปรัชญาโยคะเป็นบุคคลที่นับถือหลักปรัชญาของศาสนาพราหมณ์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 แต่ถึงกระ น, นั้นข้อความที่กล่าวถึงเรื่องสายใยแห่งชีวิตก็ตรงกันแต่สําหรับในทางพระพุทธศาสนาไม่มีการกล่าวถึงในเรื่องสายใยแห่งชีวิตเพราะฉะนั้นจึงทําให้ข้าพเจ้าเกิดความสงสัยว่าความจริงจะเป็นอย่างไรแน่จึงได้เรียนถามท่านอปปปาติกะองค์หนึ่งซึ่งเมืาก่อนเป็นคนอเมริกันและท่านได้เคยตอบ ป, ปัญหาในเรื่องแววเสียงสวรรค์มาแล้วท่านได้กรุณาให้คําอธิบายดังต่อไปนี้ ตามที่ในหนังสือหลายเล่มกล่าวว่าในเวลาที่คนเราจะตายจะต้องมีกายทิพย์ออกมาจากกายเนื้อและตราบใดที่สายใยแห่งชีวิตซึ่งผูกพันเชื่อมโยงกายเนื้อกับกายทิพย์ยังไม่ขาดออกจากกันกายเนื้อนั้นจะถึงกับความตายไม่ได้ความตายที่แท้จริงย่อมหมายถึงสายใ ย, ยแห่งชีวิตนี้ขาดสะบ้านลงและในบางกรณีที่คนเรานอนหลับ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 จะถูกยิงด้วยปืนถูกที่สำคัญแล้วตายทันทีแม้กระนั้นกายทิพย์ก็ยังกลับเข้ามาทันก่อนที่ลูกปืนจะถูกกายเนื้อสอีกท่านบอกว่าอันนี้เป็นกฎธรรมดาและถ้าหาเข้าใจกฎอันนี้ดีก็จะเข้าใจคำว่าสายใยแห่งชีวิตได้โดยแจ่มแจง้งในทางตะวันตกหรือแม้ในทางปรัชญายโยคะก็ตามมักจะมีคาพูดในํานองเปรียบเทียบซึ่งฟังดูอย่างเินเพินก็เหมือนจะทาให้เข้าใจง่าย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 มักจะเต็มไปด้วยเรื่องบุคลาธิฐานมาเหตุผู้อา่านการยกบุคคลหรือสิ่งต่างๆขึ้นเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจโดยง่ายซึ่งผิดกับในทางพระพุทธศาสนาซึ่งในกรณีที่ถ้าใช้คำอุปมาแล้วจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดก็มักจะเว้นเสียเช่นในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกายเนื้อกับกายทิพย์ขาดจัด ก, กันนั้นท่านบอกว่าก็ตรงกับที่ทางพระพุทธศาสนากล่าวว่า การที่คนเราเส้นชีวิตลงก็เพราะเส้นวิบากที่จะดำรงชีวิตอั น, นันต์ไว้ดังที่สํานวนในคำพีพระพุทธศาสนาใช้คำว่ากระทากาลกิริยาซึ่งหมายถึงว่าถึงเวลาตายแล้วคนเราก็ต้องตายซึ่งคำว่าถึงเวลาในที่นี้หมายความว่าวิบากของการที่สร้างชีวิตนี้ขึ้นมานั้นหมดอานาจ หรือหมดพลังที่จะรักษาชีวิตนั้นได้อีกต่อไปท่านแนะให้นึกถึงหลักอภิธรรมที่กล่าวว่าสาเหตุแห่งความตายมีอยู่4อย่างคือ 1. สิ้นอายุ 2. สิ้นกรรม 3. สิ้นทั้งอายุและกรรมพร้อมกัน 4. เพราะมีอุปเชท ธ, ธกกรรมตัดรอนหมายเหตุผู้อ่านอุปเชท ธ, ธกกรรม หรือกรรมตัดรอนหรืออุปฆ า, าตกรรมคือกรรมใดที่ทำหน้าที่ฆ่ากรรมอื่นให้สิ้นสุดลงอย่างเด็ดขาดพลังอำนาจของกรรมตัดรอนก็มีสองอย่างเช่นเดียวกันคือกรรมฝ่ายดีและกรรมฝ่ายชั่วมีหน้าที่ตัดกรรมฝ่ายตรงข้ามกับตนให้สิ้นสุดลงอย่างเด็ดขาดซึ่งรุนแรงยิ่งกว่าพลังอานาจของกรรมเบียดเบียน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 เป็นตัวสังขารซึ่งแปลว่าอำนาจสร้างสรรค์วิบากของกรรมย่อมสามารถที่จะสร้างร่างกายออกมาในรูปต่างเช่นสร้างกายเนื้อได้หลายแบบในทำนองเดียวกันวิญญาณก็สามารถที่จะสร้างกายทิพย์ขึ้นมาได้หลายแบบคนบางคนมักจะเข้าใจว่าวิญญาณสามารถที่จะสร้างกายเนื้อและกายทิพย์ขึ้นมาได้ในเวลาเดียวกันนั้น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 นั่นไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงเพราะความเป็นจริงแล้วมันเหมือนกับเทียนเล่มหนึ่งจะให้กำเนิดแกเปลเวลเทียนเล่มอื่นอีกสักกี่พันเล่มก็ได้โดยที่จะไม่ทำให้เปลเวลไฟของเทียนเล่มแรกลดน้อยลงไปแต่ประการใดท่านขอให้นึกถึงเรื่องท่านจุนลปันโถกที่สามารถเนรมิตกายขึ้นมาได้ตั้งพันกายซึ่งกายที่เนรมิตขึ้นมานั้นถึงแม้จะเป็นกายทิพย์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 จุดติแล้วต้องปฏิสนธิอีกและสร้างนารูปขึ้นมาอีกทันทีทำไมจึงเป็นเช่นนี้ท่านบอกว่าสายใยแห่งชีวิตที่เปรียบเสมือนเส้นด้ายนั้นความจริงก็คือตัวตันหานี่เองหมายเหตุผู้อ่านอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับคำว่าตันหาคือความทยานอยากความดิ้นรนความปรารถนาความสเสน่หา ความอยากได้อยากมีอยากเป็นความไม่อยากมีไม่อยากเป็นอยากคลาค้นดับศูนย์ไปเสียสายใยแห่งชีวิตที่เปรียบเสมือนเส้นได้นั้นความจริงก็คือตัวตัญหานี่เองเพราะตราบใดที่ตัวตัญหายังมีอยู่อุปาทานก็ต้องมีและวิบากของกรรมคือสมัรถภาพต่างๆหรืออุปนิสัยใจคอต่างๆที่มีอยู่ในสันดานนั้น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 ท่าที่อธิบายมานี่ท่านก็หนักใจแทนมนุษย์เป็นอันมากแต่ถึงอย่างไรก็ตามท่านได้เนื้นอีกครั้งหนึ่งว่าคําว่าสายใยแห่งชีวิตขาดนั้นหมายถึงพลังที่สร้างกายเนื้อมาตั้งแต่แรกได้หมดเรี่ยวแรงลงอย่างที่เรียกว่าสิ้นกรรมนั่นเอง เลือด คิดได้ก็ส่ายไป